สูตรามยายานเนี่ยมีสิบหกหัวข้อสูตรมยายานนี้กว้างใหญ่ไพศาลในสูตามยายานสิบหกหัวข้อนะข้อแรกอภิญญาธรรมคือยาตะปริญญาข้อสองปริญญาธรรมคือตีรณ ะ, ะปริญญาข้อสามปหาตปฏิธรรมคือปหาณะปริญญาข้อ 4, สี่สัจจกาตรตปธรรมทําให้แจ้งห้าพาเวตปฏิธรรมควรเจริญทีนี้ในบรรดาสิ่งที่ควรเจริญเช่นสมถะกับ ริปัสสนาถ้าเจริญสมะถะจนได้ปฐมไม่ฌานปฐมไม่ฌานบางอย่างอยู่ในฝ่ายแห่งความเสื่อมคนที่ได้ปฐมไฌานแต่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมที่ใกล้ต่อกิเลสกรรมเสื่อมไม่นานเสื่อมแน่เหมือนก็ว่าคนนี้ไม่กินเหล้าหรอกแต่ว่ามีแต่เพื่อนที่เหล้าแล้วก็นั่งอยู่แต่วงวงเหล้าอย่างเดียวเลยนะอนาคตเขาเจือเหล้าให้ดื่มก็ ค, ค่อยดื่มแน่นะห น, หนักเข้าอาจจะติดกับเพื่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าฝ่ายแห่งความเสื่อมต่อไปฝ่ายแห่งความ ดำรงอยู่คือรักษาได้แล้วก็ต่อไปก็ฝ่ายแห่งความวิเศษขึ้นเขบอกถ้าผู้ได้ปฐมฌานในฝ่ายแห่งความเสื่อนนะพวกนี้จะเกิดเป็นพรหมปริสัทชาพวกนี้สักแต่ว่าได้ปฐมฌานถ้าพวกที่รักเจริญฌานแล้วได้ฌานแบบประเภทดำรงอยู่พวกนี้เกิดเป็นพรหมโกรโรหิตาถ้าพวกใดที่ได้ปฐมฌานแล้วมุ่งเพื่อที่จะได้ผู้ติยะฌานตัวนี้ตายไปก็จะเกิดเป็นมหาพรหม พวกใดที่อาศัยฌานและเจริญนิปัสนาพวกนี้เป็น ah นิเพทะภาคิยะเห็นไหมแต่ถ้ากันนิเพทะภาคิยะถ้าจะชำระ ก, กิเลสและชำรกได้อย่างไงก็ชำรกว่านี้ขันไม่เที่ยงขันเป็นทุกข์ขันเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นสีลักษณะทีนี้การรู้ไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เพื่อให้เห็นทุกขสมุทัยมีโรธมักจริงแล้วนะในใ น, ในหัวข้อสุตตามัยยานทั้งหมดนั้นก็มีความ สัมพันธ์กันอยู่โดยโดยอัฏฐะเนี่ยนะทีนี้เมื่อฟังเข้าใจแบบนั้นแล้วเนี่ยนะตั้งกตยาตะตีระปะหานะปริญญาควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้งเมื่อมีความรอบรู้อย่างนี้แล้วสังวรสังวรคือตั้งมั่นไม่ให้บาปเกิดขึ้นได้อันนั้นเป็นศีลไม่ยายานเพราะผู้ที่จะปฏิบัติได้ตามนี้ถ้าทุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเจริญไม่ได้แนะ่ เนนะจริญไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นจะต้องเว้นจากพุทิริจกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นปัญญาที่สังวรตามที่ฟังมาแล้วชื่อว่าสีรลมยายานทีนี้ถาสักแต่ว่าสังวรอย่างเดียวไม่พอเนี่ยนะแค่ห้ามบาปอย่างเดียวไม่พอเพราะว่ากิจของสังวรคือการห้ามบาปสัปปะปะปัสสการนังเนี่ยนะการไม่ทำบาป เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อสังวรแล้วก็ต้องทําอบรมภาวนาให้มันเกิดขึ้นทําจิตตะภาวนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าสมาธิภาวนามะยะยา่างต้องให้กุศลเป็นตัอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องให้ศีลนั่นแหละแต่เป็นศีลที่เป็นต่อเนื่องยาวขึ้นเช่นออนัพิชาอัพยาตาทะที่เป็นศีลเนี่ยนะที่เรียกว่าเจตสิกศีลเนี่ยอนัพิชาอัพยาตาทะเจริญตัวศีล น, นั้นให้บ่อยๆมากขึ้นก็จะเป็น สมาธิภาวนามยยานเมื่ออบรมสมาธิภาวนามยายานไม้เป็นอย่างดีก็บอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะรู้เห็นว่านี้เนี่อะไรนี่ปัจจัยกับปัจจุบันเริ่มรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นกรรมและผลของกรรมเมื่อรู้เห็นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยนะกรรมนี่แหละเป็นตัวที่สืบต่อให้วัฏทุกข์เนี่ยยาวไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะถามว่ากรรมนี่มาจากไหน ก็มาจากกิเลสและกิเลสมาจากไหนก็มาจากวิบากวิบากมีผลเอมีผลให้ไปอะไรเป็นอะไรต่อไปก็ทําให้เกิดนนกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสที่สืบสาว เ, เป็นไปอย่างนี้โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดีนี้เมื่อไม่มีที่สิ้นสุดก็ยอ่อทั้งที่เป็นอกรรมวิบากกิเลสโดยเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วมายอ่อรวมเข้าไว้โดยความ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นเป็นสัมมาสัญญานเนี่ยนะก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโดยวความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้อันนี้เข้าได้เึิ่มต่อกับครั้งที่แล้วเพราะฉ้มาครั้งที่แล้วฟังแล้วเข้าใจว่าอาทิตย์นี้เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันนีเยอะเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าจะให้เห็นความสัมพันธ์ของของญาณนะทั้งหลาย ที่เป็นสุตามยายามก่อนนะสุตามยายาเนี่ยอันแรกคืออภินยายาสองเปริญญยาสามปหาตับพระ4เอันนีัเอาสิทธัตสัจฉ ก, า, ก, ชชกาตัปพระนะฮะพาเวตัปพระอภินยายาคือยาตะประญญยาปรินยยาคือ ตีระนะปริญญาทหารตัดผ้าคือทหานะประิญญาเพราะฉะนั้นการทำปริญญาก็เพื่อต้องการทำให้แจ้งพ่า น, นิพผานอยู่แล้วใช่ไหมจุดประสงค์ของการทำปริญญาสามก็เพื่อเพื่อรู้เห็นพ่านิพผานโหถ้าโยมป้าอยู่ข้างหลังมองเห็นได้นะของมาทำไมมีบุญขนาดนั้นทำบุญอะไรมาหนอะ ก็ฟังฟังเอากันแล้วกันนะป้อย่ไปคิดอะไรมากคิดมากกน่านั้นเดี๋ยวจะป่วยเอาการที่ทํายาตะปริญญาตีรณปริญญาปหาน้ปริญญาจุดประสงค์ก็เพื่อทําให้แจ้งพระนิพานแล้วพระนิพานนี่อยู่ๆแล้วกระโดดพูดบรรลุเลยเป็นไหมไม่ใช่จะต้องมีการอบรมภาวนาการอบรมภาวนาคืออะไรก็คือการเจริญ อธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาอธิศีนกับอธิจิตเรียกว่าสมถะอธิปัญญาเรียกว่าวิปั ส, สนาสมถะทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอบรมศีลศีลที่บริบูรณ์จริงๆย่อมนำมาซึ่งสมาธิย่อมนำมาซึ่งสมาธิความบริบูรณ์ของศีลจริงๆทีนี้สมาธิที่บริบูรณ์ที่แท้จริงเนี่ย ออกมาเป็นปฐมชาญผู้ติยะชาญอติยะชาญจะตุทชาญเป็นต้นเห็นไหมปฐมชาญทั้งหลายก็แบ่งประเภทว่าสักแต่ว่าได้สักแต่ว่าได้ไดอนาคตเสื่อมแน่อันนี้เป็นหานะพาคยะบางพวกรักษาไว้ได้ทิฏฐิภาคยะหรือทิฏฐิภาคยะแค่ส่งส่งไว้เฉยๆแต่ระบบบริหารได้รักษาได้เสมอตัวคงตัว ไก่พวกหนึ่งทำให้เจริญขึ้นเรียกว่าวิเศษสภาคยะบางคนเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาทำโดยเฉพาะปริญญาเนี่ยนะโดยมายาตะตีระนาถหานัะปริญญาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพวกนี้จะเป็นนิเพะภาคยะพวกที่จะทำนิเพะภาคยะเนี่ยก็คือเห็นโดยอะไรอา น, นิจจังทุกขงัง อนัตตาพวกที่เห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็คืออะไรพวกนี้ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรอีทางทุกขังอริยสัจจังก็คือตัวทุกขัะนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขะสมุ ท, ทยัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยชื่อว่า เพราะทุกขสมุทัยนะพวกนี้เป็นปวัตตะดับปวัตตะนะปะวัตตะแปล ว, ว่าเป็นไปสมุทัยเนี่ยปวัตตนะเหตุให้เป็นไปในวัตะคนที่จะรู้ความเป็นไปแห่งวัตะได้คนนั้นจะต้องรู้นิวัตนิวัตะแปล ว, ว่าไม่เป็นไป ต, ตัวไม่เป็นไปของนิพพาน พ่านิาพานเนี่ยที่จะปฏิบัติ บ, ตบรรลุได้ก็ต้องอาศัยอริยมรรคคำนวณว่าสุตตานะฟังมาจนได้เหตุผลมาเท่านี้ทั้งหมดลนะรู้ว่าความเป็นเหตุเป็นผลฟังมาเงี้ยวหูมาจนอย่างดีลนะถา ม, มาเมื่อเข้าใจขนาดนี้ไปทำยังไงต่อไปทำยังไงดีคุณลำภาวดีฟังขนาดนี้เอาไปทำยังไงต่อไปก็ เมื่อฟังได้อย่างนี้แล้วนะสําคัญเรื่องแรกที่จะเป็นข้อปฏิบัติมาเลยนะคือห้ามบาปก่อน เ, อเดี๋ยนี้ห้ามบาปอันนี้แหละเป็นชื่อของศีละมยญาณตัวสุตตะมัยญาณทั้งหมดเนี่ยคือพระศาสนาคือพระศาสนาหรือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอศีละมัยญาณ น, นี้เป็นเรื่องของเราที่เราจะต้อง มาเจริญเองเห็นไหะที่ที่พงษ์บอกว่าตถาคตเป็นแต่คนบอกทางส่วนผู้เดินทางเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายั้นสาวกทั้งหลายก็มาเจริญมาห้ามบาปไม่ให้จิตเป็นไปกับบาปให้ให้เป็นกุศลเนี่ยห้ามบาปก่อนทีนี้การห้ามบาปก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยการห้ามบาปตัวที่มาห้ามบาปคืออะไรนะตัวตัวที่เป็นกุศลเลยนะคือ จารียดศีลใช่มั้ยกับวาเรดศีลตัวเสศีลอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอาณาพิชชาอะไรอาณาพิชชาเขียนยังไงกันล่ะถูกปะ่ะเออนี่หนักๆเป็ น, นออามากเหมือนกันนะทีนี้ท่านอาณาพิชชาอัพธยาบาท น, นะก็เป็นหน้าพิชากับอัพยาบาทตัวอนหน้าพิชาก็คือเนคขมมะคือตัวเนคขมมะตัวอัพยาบาทก็คือพรหมวิหารเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราเจริญกุศลเหล่านี้ได้ดีกับตัวเหล่านี้เป็นตัวห้ามบาปทีนี้ทายังไงตัวห้ามบาปที่เป็นบุญเนี่ยให้มันพัฒนาดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี เพราะฉะนั้นก็จะเป็นพรหมวิหารสี่ที่จะต้องบริหารต่อไปนี้ตัวเนคขมะเนี่ยแบ่งออกเป็นกลมกลมอสุภากลมเกริรกลมอนุสติเดีน๋นะกลมอสุภาษเกษอนุสติหรือพรหมวิหารสี่ทั้งพวกนี้ผู้ที่เจริญได้ขนาดนี้เรียกว่าผู้ที่มีสมาธิภาวนามยญาณ เนี่ยนะตัวนี้เป็นการเจริญบุญอย่างเดียวสมาธิภาวนาเนี่ยนะทําจิตให้เป็นไปกับบุญให้บุญเกิดอย่างต่อเนื่องทีนี้ผู้ที่มีสมาธิอย่างนี้ดีนะเขาบอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นอะไรรู้เห็นเนี่ยนะจุดมุ่งหมายรู้เห็นอะไรก็เนี่ยยาตะปริญญานะเอายาตะปริญญามาเข้ามาใหม่จะเริ่มรู้เห็นตามเป็นจริงก็คือ ปฏิจจสมุปบาทปจอกับปยอง่ายมากนะปจอกับปยอไม่ใช่อยอนะถ้าปจอหมายถึงปฏิจจสมุปบาทปยอก็คือปฏิจจสมุปปนะธรรมเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆเลยไหเราภาษาง่ายๆหน่อยหลวงพ่อเหมนกันกรรมกับผลของกรรม นั้นคำว่าปัจจัยกับปัจจุบันเหตุกับผลก็คือตัวกรรมกับผลของกรรมง่ายๆเลยกรรมที่เป็นอดีตให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันจะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะก็เชื่อมอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลกรรมในอดีตเที่ยงไหมหมดไปแล้วนะแล้วผลของกรรมในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเราเที่ยงไหมในเที่ยงแล้วกรรมที่ทำในปัจจุบันเที่ยงไหม ไม่เที่ยงแล้วผลที่จะมีต่อไปเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงประมวลว่าอดีตปัจจุบันอนาคตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัต ta ก็จะเข้าไตร ล, ลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมก็จะเข้าตัวอ น, นิจจังทุกขังกับอนัตตาในสุตตม ย, ยายนทีนี้ผู้ที่รู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อรู้อะไรเรียกว่ารู้เหตุเกิดกับ ความดับรู้เหตุเกิดความดับอย่างไรเนี่ยนะในยาณะต่อไปเนี่ยคืออุทยพย า, ยานหน้าเท่าไหร่ละเนี่ยนะหน้าห้าสิบสามที่บอกว่าปัญญาที่เห็นความแปรปรวนไปเนี่ยหรือตามเห็นความแปรปรวนไปของธรรมะในปัจจุบันชื่อว่าอุทยพย า, ยาน